คือมีความทุกบางอย่างที่ช่วยกันไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าเราเนี่ยจะช่วยกันได้ทั้งหมดขอให้ท่านทั้งหลายนึกทบทวนดูในสมัยที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูพระเทวทัตเนี่ยเมื่อตอนที่ใกล้จะถูกแผ่นดินสูบได้สานึกถึงบาปที่ตนเองกระทำต่อพระพุทธองค์แล้วก็คิดว่าตัวท่านเองนี้ควรจะได้มาสารภาพความผิด และมาขอโทษต่อพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าระหว่างเดินทางมานั้นพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าพระเทวทัตกำลังเดินทางมาเพื่อที่จะเป้าพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระสงฆ์ว่าพระเทวทัตไม่มีโอกาสได้เห็นเราสถาคตดอกพระเทวทัตไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าเป้าเพราะว่าท่านทรงรู้แล้วว่าพระเทวทัตเนี่ยจะต้องถูกแผดดินสูบ และเมื่อพระเทวทัตเข้าเขตที่ประทับก็ลงจากแคร่ที่ลุกติดหามมาเพียงแต่หย่อนเท้าลงที่แผ่นดินเท่านั้นรัธรณีก็ไม่สามารถที่จะรับพระเทวทัตไว้ได้แผ่นดินแยกออกพระเทวทัตก็จมลงสู่พื้นแผ่นดินไม่มีโอกาสได้เห็นพระพุทธองค์ถ้าถามว่าทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ช่วยเหลือพระเทวทัต ทำไมปล่อยให้พระเทวทัพเนี่ยถูกแผ่ดินสู่ไปต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่เข้าเขตที่ประทับแล้วแต่ยังไม่ทันเข้าเป้าเท่านั้นพระเทวทัพก็ถูกแผ่ดินสู่ที่เป็นดังนี้ไม่ใช่หมายถึงพระพุทธองค์นี้จะมีจิตคิดอาฆาตต่อพระเทวทัพก็หามิได้ทรงมีพระทัยต่อพระเทวทัพดุจเดียวกับพระราหุลซึ่งเป็นหน้าโอรส ไม่ได้มีทัชัยเครียดแค้นว่าพระเทวทัตเนี่ยได้ทำลายได้จองล้างจองสารพระพุทธองค์มานับชาตินับภพบไม่ท้่วแต่เพราะเหตุว่ากรรมของพระเทวทัตซึ่งทำไว้นั้นหนักเหลือเกินไม่มีใครสามารถที่จะปดเปรื้องหรือช่วยเหลือกรรมอันนี้ของพระเทวทัตได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปล่อยไปตามกรรมด้วยเหตุนี้ความทุกข์บางอย่าง จึงเป็นความทุกข์ที่เราช่วยเหลือกันไม่ได้ก็มีเราเห็นบุคคลอื่นประมาทประมาทมัวเมาแล้วกระทำความผิดในขณะที่เข้าประมาทมัวเมาก่อนที่จะกระทำความผิดนั้นเราอาจจะช่วยเหลือได้การช่วยเหลือนั้นก็คือการช่วยเตือนสติการช่วยว่ากล่าวหรือเหนี่ยวร่างจิตใจของบุคคลผู้ที่จะกระทาความชั่วลงไปนั้น ว่าอยากระทำความชั่วมากกว่านี้เลยหรือจงละเว้นจากการทำชั่วเถิดอย่างเนี้ยเราช่วยเหลือได้แต่ถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นประกอบกรรมสาเร็จลงไปแล้วเราจะไปช่วยเหลือเขาว่าให้เขาพ้นจากกรรมที่เขากระทำหรือไม่ต้องเสวยผลแห่งกรรมที่เขากระทานั้นเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือกันไม่ได้ทั้งนี้เพราะเหตุใดเพราะว่ากรรมบางอย่างนั้น ท่านใช้ภาษาธรรมะว่ายากแก่การที่จะเยียวยาได้เหมือนกับโรคบางอย่างแม้แพทย์จะพยายามช่วยเหลือคนไข้อย่างไรก็ตามแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนไข้ให้หายจากโรคเช่นนั้นได้เรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากผลกรรมอันนี้ก็เหมือนกันคนที่ประกอบกรรมมามากและตนเองจะต้องเสวยวิบากกรรมอ น, นั้นไม่มีใครสามารถที่จะปลดเรื่องกรรมของบุคคลได้ เน่เพราะฉะนั้นทุกอันใดที่เกิดจากกรรมเนี่ยเราช่วยเหลือกันไม่ได้จริงๆก็มีโรคบางอย่างแพทย์รักษาไม่หายทั้งนี้เพราะเหตุใดเพราะว่าโรคบางอย่างที่บุคคลเป็นอยู่นั้นเกิดมาจากกรรมมีกรรมเป็นสมุดฐานแต่ถ้าโรคเกิดมาจากจิตเกิดมาจากอกุตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วพอที่จะแก้ไขได้เช่นอย่างคนเป็นโรคจิต ก็เกิดมาจากสภาวะจิตนั่นเปลี่ยนแปลงไปหรือได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมากเรายังพอช่วยเหลือในด้านจิตใจกันได้หรือโรคที่เกิดจากอุตุหมายอุตุเนี่ยหมายถึงเกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราก็พอที่จะช่วยเหลือกันได้หรือโรคบางอย่างที่เกิดจากอาหารเราก็พอที่จะช่วยเหลือกันได้แต่ถ้าโรคเกิดจากกรรมแล้ว ช่วยเหลือกันไม่ได้ผลสุดท้ายเขาก็จะต้องทุกข์ทรมานและประตายไปด้วยโรคซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานนั้นในเพราะฉะนั้นความทุกข์บางอย่างทางั้งๆที่เราอยากจะช่วยแต่เราช่วยไม่ได้ที่เป็นดังนี้เพราะว่าความทุกข์เหล่านั้นเกิดมาจากกรรมเป็นเหตุเพราะฉะนั้นในกรณีของบุคคลที่มีความทุกข์เราคิดจะช่วยเหลือเขา แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยช่วยเหลือเขาไม่ได้เหตุการณ์มันบังคับหรือรเผอิญมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นทำให้เรานี้ไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้สาเร็จอันนี้ก็ขอให้คิดว่าเป็นเรื่องของกรรมบันดาลเพราะฉะนั้นการที่เราจะทาจิตมิให้เศร้าหมองนี้ท่านจึงสอนให้เราปรารบเอากรรมของสัตว์เหล่านั้นนะ่ะมาเป็นอารมณ์ ว่าอสัตว์เหล่านี้เขามีกรรมเป็นของของตนเขาทํากรรมไม่ดีมาจึงต้องเสเวยวิบากกรรมอันไม่ดีเหล่านี้เราจึงช่วยเหลือเขาไม่ได้ให้มีอันเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างจังหวะที่เราควรจะช่วยเหลือได้เขาก็ไม่ขอร้องให้เราช่วยเหลือเมื่อมาขอร้องให้ช่วยเหลือก็เป็นจังหวะที่เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นไปด้วยอานาจของวิบากกรรมคือผลของกรรมที่ แต่ละบุคคลกระทำมาและกรรมอันเนี้ยก็บรรดาลให้เป็นไปฉะนั้นเราจึงต้องปรารบเอากรรมของสัตว์เหล่านี้เป็นอารมณ์วิธีปรารบเอากรรมของสัตว์เป็นอารมณ์นี้ในด้านการเจริญพรมวิหารธรรมนั้นท่านสอนให้เราเนี่ยพิจารณาว่าสัาตว์ทุกจำพวกเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ในที่นี้ก็ดีท่านก็มีกรรมเป็นของของตน กรรมเนี่ยเราทํามาเป็นสมบัติติดตามเรามาเป็นของห้องตัวเราเองทั้งนั้นแล้วก็กรรมอันนี้ที่จะทําให้เราต้องได้รับผลแห่งกรรมแตกต่างกันออกไปใครๆก็ช่วยเหลือเราไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นกรรมที่ทําสําเร็จแล้วเป็นกรรมในอดีตที่สําเร็จมาโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยใครๆก็ช่วยเหลือเราไม่ได้นอกจากเราจะต้องช่วยตนเองด้วยการประกอบกรรมดีต่อไปส่วนกรรมชั่วที่ทํามาแล้วนั้นก็ต้องมีผลแห่งการกระทํำแน่นอน แต่ว่าจะได้รับผลช้าหรือเร็วเท่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าผลแห่งกรรมอันนั้นต้องมีอย่างแน่นอนทุกคนจึงมีกรรมเป็นสมบัติติดตามมาช่วยเหลือกันไม่ได้นี่พูดถึงในด้านของกรรมหรือความทุกข์ที่เกิดมาจากกรรมฉะนั้นถ้าหากว่าเราช่วยเหลือใครเขาไม่ได้เราก็อย่าเป็นทุกข์จนเกินไปขอให้ปราลบอว่า สัตว์เหล่านั้นมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยสัตว์เหล่าใดทํากรรมดีไว้ก็ตามทํากรรมชั่วไว้ก็ตามสัตว์เหล่านั้นย่อมได้รับผลแห่งการกระทํานั้นๆเนี่ยให้ปลารบถึงกรรมเมื่อปรารบถึงกรรมแล้วจิตของเราก็ไม่ตกไปในฝ่ายยินดีไม่ตกไปในฝ่ายยินได้ ความเป็นกลางในสันปสัตหรือสีมะเพศในสัตว์นั้นก็จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ไม่วางใจไว้ยอย่างนี้หรือไม่ปรารกกรรมอย่างนี้เป็นอารมณ์แล้วจิตนี้จะเป็นสีมะเพศไม่ได้มันจะต้องตกไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินดีก็ต้องยินร้ายไม่เป็นสุขก็ต้องเป็นทุกข์เนี่ยทั้งสองอย่างนั้นจึงต้องพยายามปรารกถึงกรรมของสัตว์เป็นที่ตั้ง ในอุเบกขานี้เราจะต้องศึกษาถึงสภาวะของจิตชนิดนี้ไว้ด้วยว่าโดยลักษณะหน้าที่และอาการที่ปรากฏตลอดจนเหตุที่จะให้เกิดอุเบกขานั้นเป็นอย่างไรลักษณะของอุเบกขานี้ท่านอธิบายไว้ในวิสุทธิมารกว่า มีการเป็นไปโดยอาการคือความ ม, Assass, มีตนเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะมีตนเป็นกลางในสันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นลักษณะก็หมายถึงว่ามีจิตเป็นกลางในสันทัตว์ทุกจังพวกเป็นลักษณะไม่ไม่ตกไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือความยินดียินร้ายในสันทัตว์นี่เป็นลักษณะของอุเบกขาคือความเป็นกลางในสันทัตว์ โดยหน้าที่มีการเห็นความเป็นผู้เสมอกันในสัตว์ทั้งหลายคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความเป็นผู้เสมอกันเสมอกันด้วยอะไรต่อ เ, เสมอกันด้วยกรรมคือการกระทําของสัตว์ทุกจำพวกเนี่ยเกิดมานั้นมีกรรมเป็นของของตนและเราก็ไม่ได้เกิดความลําเอียงในสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เหลา่าใดก็ตามเราก็มีความวางเฉยในสัตว์เหล่านี้เหมือนกันหมด ปรารบถึงสัตว์ทั้งหลายว่ามีกรรมเป็นของของตนเหมือนกันซึ่งลักษณะจิตอย่างเนี้ยเราจะหาได้ยากในปุถุชนผู้ขาดการฝึกฝนและการปฏิบัติมาก่อนส่วนมากแล้วเรามักจะเกิดความเห็นเก่ตัวไม่ได้เห็นต่อชีวิตของสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าโดย ท, ทั่วไป เช่นอย่างในบางความทุกข์บางอย่างหรือความวิบัติบางอย่างเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นความวิบัติอันนั้นมันผ่านพ้นจากชีวิตต่อไปคือไม่ประสบต่อตัวเราแต่ไปประสบกับคนอื่นเมื่อเราพ้นจากความวิบัติอันนั้นเรารู้สึกดีใจว่าเออเราเนี่ยไม่ประสบกับความวิบัติแต่คนอื่นเขาประสบกับความวิบัติ ในขณะที่คนอื่นเขาประสบต่อความวิบัติเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงจิตของคนอื่นเขาเลยเราคิดแต่ว่าเราเนี่ยพ้นจากความวิบัติเราก็ดีใจฉลองฉลองชัยชนะที่เราได้ผ่านพ้นต่อความวิบัติด้วยความสนุกสนานเพอเราเนี่ยพ้นจากความวิบัติแล้วไม่ต้องประสบต่อความวิบัติแต่ว่าคนอื่นเขาประสบต่อความวิบัติอย่างเราดีใจว่าแม่ไฟไม่ไหม้บ้านเราแต่มันก็ไปไหม้บ้านของคนอื่น ระหว่างที่ไฟไหม้บ้านคนอื่นบ้านเราไม่ถูกไฟไหม้เรารู้สึกดีใจลิงโลดใจว่าแม้เราโชคดีเหลือเกินไฟไม่ไหม้ยิ้มแยม้แยมแจ่แ ม, มใสโดยที่เราเนี่ยไม่ได้คิดและคนอื่นเขาล่ะเขาถูกไฟไหม้เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นแต่เราคิดถึงตัวเราว่าถ้าเราพ้นเสียได้ก็ดีแล้วหรือลูกของเราไม่ตายลูกของคนอื่นตายเราก็ดีใจว่าเออลูกเรารอดตายมาได้ สมมติว่าเรามีลูกสักคนหนึ่งไปสู่สมรภูมิสงครามลูกคนอื่นเขาตายกันโครมโคร ม, ครมลูกของเราไม่ตายเราก็ดีใจว่าเออลูกของเรานีรอดตายมาได้ดีอกดีใจแต่ว่าลูกของคนอื่นละ่ะเขาตายต้องจํานวนเท่าไหร่เราไม่ได้คิดถึงในความรู้สึกของผูุ้ชนนั้นย่อมมีความเห็นแก่ตนเนี่ยมากกว่าที่จะเห็นเสมอภาพกัน เราไม่ได้คิดเลยว่าลูกของคนอื่นก็เหมือนกับลูกของเราหรือลูกของเราก็เหมือนกับลูกของคนอื่นเราคิดแต่เพียงว่าลูกของใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างลูกของเราสบายก็แล้วกันความรู้สึกของคนส่วนมากเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังเนี้ยเราจะทำสีมเพศภายในจิตเนี่ยได้อย่างไรความเป็นกลางในสัรพสัตร์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไร ว่าเราเนี่ยจะมีความรู้สึกต่อสรรพสัทวเนี่ยเสมอกันเหมือนกับที่พระพุทธองค์มีความรักในพระราหุลอย่างไรก็มีความรักในพระเทวทัตอย่างนั้นพระเทวทัตกับราหุลเนี่ยพระพุทธองค์ไม่มีพระไทยต่างกันเลยในบุคคลทั้งสองอย่างนี้เราเรียกว่าจิตที่มีสีมเพสคือมีความเป็นกลางในสนรรพสัตวไม่เกิดอคติไม่เกิดความยินดียินร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งจิตอย่างนี้จะต้องอาศัยการอบรม จะต้องอาศัยการสุดผลเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะของอุเบกขาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นภายในจิตแล้วจะทำหน้าที่ด้วยการเสมอภาพกันของสันสัตว์จะไม่เห็นความต่างกันในสันทัตว์ที่มีอยู่ในวตสนาสงสารเมื่อไม่เห็นความต่างกันในสนรนทัศน์อย่างนี้ผลที่ปรากฏเกิดขึ้นก็คือ จะมีการเข้าไปสงบความยินร้ายและยินดีปรากฏเกิดขึ้นความยินดีก็ไม่มีความยินร้ายก็ไม่มีแม้ว่าลูกของเราไม่ตายลูกของคนอื่นตายบ้านของเราไม่ไหม้บ้านของคนอื่นไหม้เราก็ไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายหรือลูกเราตายลูกของคนอื่นไม่ตายเราจะมานั่งเสียใจว่าลูกเราตายแต่ลูกของคนอื่นเขาทําไมไม่ตาย บ้านของเราไหม่แต่ทาไมบ้านของคนอื่นเขาไม่ไหม้ซึ่งความเสียอกเสียใจอันเนี้ยก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะจะเป็นใครก็ตามก็เหมือนนกันทั้งนั้นเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าเราจะมีจิตอย่างเนี้ยได้อย่างไรว่าเราจะวางความเสมอภาพในสรรพสัาษษาตว์เหล่านี้อันเนี้ยต้องอาศัยการปรารบกรรมเป็นที่ตั้งแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้ฝึกฝนด้านอุเบกขา โมวิหารธรรมนี่ให้เกิดขึ้นแล้วอาการเช่นเนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นความยินดียินได้เนี่ยจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราไม่ได้โดยเราจะมีแต่ความเสมอภาคของสัตว์เป็นอารมณ์เท่านั้นเนี่ยเป็นอาการที่ปรากฏส่วนเหตุที่จะให้เกิดความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ก็ต้องอาศัยการเห็นความเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน เขาจะประสบต่อความสุขหรือความทุกข์ก็ตามจะประสบต่อความเสื่อมหรือความเจริญก็ตามจะประสบต่อสิ่งที่ตนเองชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามก็เป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นเป็นเรื่องของกรรมทีนี้มีปัญหาว่าจริงสั์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตน เรามีความเชื่อมั่นในกฎของกรรมอย่างมั่นคงแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของขึงตนทุกบางอย่างที่เกิดจากกรรมเราช่วยเหลือกันไม่ได้ถ้าเป็นดังนี้เมื่อเราประสบต่อความทุกข์ความเสื่อมแล้วเราไม่ต้องปล่อยให้เป็นไปตามยะถากรรมดอกหรือเพราะคำว่าตามยะถากรรมเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่คิดแก้ไขมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างไม่เกิดความขวนขวายไม่ใช่ความคิด ในการที่จะแก้ไขกฎของกรรมกระนั้นหรืออันนี้เป็นปัญหาสำคัญเพราะปัจจุบันเนี่ยหลายท่านที่มีความเชื่อกฎของกรรมมักจะทอดอะไรตาอยากในชีวิตอย่างนี้ว่าถ้ามาเป็นกฎของกรรมแล้วเนี่ยเราไม่มีทางจะหาทางแก้ไขเดาหรือความเชื่อในเรื่องกรรมนี้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในด้านของการปฏิบัติแล้วก็จะกลายเป็นความเชื่อที่งมงาย เป็นความเชื่อที่เกิดโทษแก่ตนเองท่านกล่าวว่าความเชื่อในกฎของกรรมเนี่ยมีอยู่แล้วจะต้องอาศัยความเชื่อยอย่างอื่นเข้ามาประกอบด้วยความเชื่อยอย่างอื่นนั่นก็คือความเชื่อในปัญญาความเชื่อในความภาพเพียนพยายามคือเชื่อกรรมแล้วก็ต้องเชื่อปัญญาเชื่อความเพียนด้วยถ้าเชื่อแต่กรรมอย่างเดียวโดยไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความเพียนแล้ว บุคคลที่เชื่อกรรมอย่างนั้นชีวิตก็ต้องประสบต่อเคราะ์กรรมร่ำไปไม่มีทางที่จะพ้นจากเคราะกรรมเหล่านั้นท่านบอกว่าเราเชื่อกรรมแล้วก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความเพียรเนี่ยเข้ามาประกอบกันความเชื่อในด้านกรรมจึงจะเป็นผลสมเั็ิแก่บุคคลผู้ที่มีความเชื่อ ว่าเราเนี่ยเชื่อละทำกรรมดีต้องได้รับผลดีทำกรรมชั่วต้องได้รับผลชั่วแล้วเราก็ทำแต่กรรมดีอยู่ตลอดเวลาแต่พร้อมกันนั้นเราต้องมีปัญญาด้วยเราต้องใช้ความเพียรด้วยกรรมดีนั้นจึงจะสมริดผลถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มีความเพียรแล้วทำกรรมดีอย่างไรกรรมดีจะปรากฏผลขึ้นมาให้เห็นนั้นก็ไม่ได้เนี่ยจะขอยกตัวอย่างเช่นมีปลาอยู่สามตัว ปลาตัวหนึ่งเชื่อกรรมปลาตัวหนึ่งเชื่อปัญญาปลาอีกตัวหนึ่งเชื่อความเพียปรปลาสามตัวเนี่ยอยู่ในอ่าวเดียวกันวันหนึ่งมีชาวประมงจะมาจับปลาทั้งสามตัวนี้จะมาจับปลาที่อ่าวนี้ปลาตัวที่เชื่อกรรมรู้แล้วก็ปรารบว่าเราจะตายจะเป็นจะถูกจับหรือไม่ถูกจับก็แล้วแต่กรรม ทอดอะไรตายอยากแล้วแต่กรรมตัวที่เชื่อปัญญาก็มีความเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าเราจะถูกจับเราจะต้องใช้ปัญญาหาช่องทางดิ้นรนหนีให้ได้ส่วนตัวที่เชื่อความเพียรก็จะใช้ความเพียรจนสุดความสามารถว่าัชชาประมงย่างเข้ามาสู่อ่าวที่เราพำนักอยู่นี้เมื่อใดเราจะต้องเพ่นหนีก่อนละต้องใช้ความเพียรเพ่นหนีก่อน พอถึงเวลาชาประมงมาจับปลาทั้งสามตัวนี้ปลาตัวที่เชื่อความเพียนหนีก่อนเพื่อนพ้นจากการถูกจับส่วนตัวที่เชื่อปัญญายอมให้จับพอชาประมงจับได้แล้วก็วางไว้บนเรือพอชาประมงเผลอกายก็ระโดดแผลวลงน้ำว่ายหนีต่อไปรอดพ้นเหมือนกันแต่ตัวที่เชื่อกรรมนั้นไม่ดิ้นรนอะไรเลย หนีก็ไม่หนีพอถูกจับขึ้นมาบนเรือก็ยอมทุกอย่างว่ามันเป็นกรรมของเราผลสุดท้ายไอ้ตัวที่เชื่อกรรมถูกฆ่าตายตัวที่เชื่อความเพียรตัวที่เชื่อปัญญารอดตายได้เรื่องตาทั้งสามตัวเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ว่าการที่คนเดามีความเชื่อในกฎของกรรมว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วนั้นเป็นความเชื่อที่ถูกต้อง แต่พร้อมกันนั้นเราจะต้องเชื่อปัญญาจะต้องเชื่อความเพียรด้วยคือเชื่อกรรมแล้วต้องมีปัญญาเชื่อกรรมแล้วต้องมีความเพียรถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรแล้วกรรมที่เราเชื่ออยู่นั้นจะให้ผลแก่เราโดยสมบูรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมก็ไม่ใช่หมายความว่าเราต้องงอมืองอเทา้าไม่หาทางแก้ไข ไม่ใช้สติปัญญาที่มีอยู่เนี่ยแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นเรามีปัญญาต้องใช้ปัญญาเรามีความเพียรก็ต้องใช้ความเพียรประกอบกับความเชื่อในกฎของกรรมไปด้วยการเชื่อในกฎของกรรมจึงจะเป็นความเชื่อที่ได้รับผลโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อของกรรมนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาให้ละเอียด เราเชื่อจริงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่พร้อมกันนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาด้วยและเราจะต้องใช้ความเพียรด้วยถ้าท่านไม่มีปัญญาท่านเชื่อแต่กรรมแต่มีแต่ความโง่เขลาคนที่เชื่อกรรมทำความดีแล้วจะถูกคนอื่นก็ปล้นความดีร่าไปจะถูกคมเหงรังแกอยู่ร่าไปเพราะตัวเองไม่มีปัญญาที่จะคิดแก้ไขที่จะคิดป้องกันตัวเองไม่มีความเพียรไม่มีความพยายาม ในการที่จะให้กรรมดีที่ตนเองกระทํานั้นสมฤทธิผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นกรรมดีที่ทําเนี่ยเรายังต้องใช้ปัญญาเรายังต้องใช้ความเพียรเข้ามาประกอบอย่าคิดว่าเมื่อทําดีแล้วก็แล้วกันคนดีถูกฆ่าตายเยอะแยะไม่ใช่คนดีนั้นจะไม่ถูกฆ่าตายหรือคนดีถูกข่มเหงรังแกก็ต้องมากไม่ใช่ว่าคนทําดีแล้วจะไม่มีใครข่มเหงรังแกคนทําดีมีศัตรูปรองร้ายตัางแยะ ไม่ใช่ว่าคนทำดีแล้วจะไม่มีศัตรูเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาจึงต้องใช้ความเพียรเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยในขณะที่เราประกอบกรรมดีมิฉะนั้นท่านจะรักษาความดีไว้ไม่ได้นอกจากรักษาความดีไม่ได้แล้วคนดีทั้งหลายก็จะตายกันโครมโคลมโคล ม, คมจะประสบกับความวิบัติจนกระทั่งไม่มีใครอยากจะกระทํากรรมดีกันแล้วทั้งนี้เพราะว่าเราเชื่อในกรรมดีเนี่ยโดยไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความเพียร เพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาด้วยใช้ความเพียรด้วยปัญญากับความเพียร น, นั้นเป็นอุปการะคุณของกรรมดีที่เรากระทําไว้คนทํากรรมดีเนี่ยต้องใช้สติปัญญาหลายด้านต้องรู้เท่าทันต่อสิ่งต่างๆรู้เท่าทันต่อบุคคลรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะประสบต่ออะไรต่อไปอีกเราจะใช้สติปัญญาแก้ไขอย่างไรและเราจะต้องใช้ความภาพเพียรพยายามนั้นให้สูงขึ้นอย่างไร กรรมดีที่ทำนั้นจึงจะคงอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเชื่อกรรมดีแล้วเราจะต้องเชื่อปัญญาจะต้องเชื่อความเขียนทั้งสองอย่างเข้ามาประกอบกรรมดีจึงจะสมบูร็จส่วนมากเราสอนแต่ว่าเชื่อกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนตามกรรมเมื่อทำดีแล้วต้องได้ดีทำชั่วแล้วต้องได้ชั่วก็เห็นคนทำดีเยอะแยะไม่ได้ดีก็มีแล้วก็เขาก็ต้องประสบต่อความทุกข์ยากก็มี เนี่ยเพราะว่าเราทําแต่กรรมดีอย่างเดียวโดยเราไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความเพียรกรรมดีนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายที่เชื่อกรรมอยู่แล้วเนี่ยท่านต้องใช้ปัญญาด้วยและต้องใช้ความเพียรด้วยเข้ามาประกอบกันทั้งสองอย่างมิฉะนั้นแล้วความดีที่ทํานั้นก็จะไม่เกิดผลอะไรทั้งจะเกิดโทษกก่ตนที่ประกอบกรรมดีด้วยซ้ําอาจจะถูกฆ่าตายสักเมื่ไรก็ได้ ซึ่งเราจะสังเกตได้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านพ้นมาตลอดจนชีวิตของบุคคลต่างๆที่เขาประกอบกรรมดีเนี่ยทำไมเขามีปัญหาต่างๆมากมายอย่างนั้นเราก็จะพบสาเหตุว่าเนื่องมาจากเพราะว่าเราขาดปัญญาไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วก็ไม่ได้ใช้ความเพียรมีความเชื่อยอย่างเดียวแต่ไม่มีความเพียรมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกับหมอมาพยากรชีวิตของท่านว่า ดวงท่านเนี่ดีท่านจะได้เป็นเศรษฐีแน่ๆเราก็นอนงอมืองอเท้ามาคิดทำมาหากินคิดแต่ว่าวันหนึ่งราชรถคงจะมาเกิดให้เป็นเศรษฐีไม่มีทางเป็นเศรษฐีได้หรอกคนสุดท้ายจะต้องอดตายถ้าเรามีความเชื่ออย่างเดียวโดยไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความเพียรมันจะได้มาอย่างไรต้องมีปัญญาต้องมีความเพียรด้วยนั่นแหละจึงจะสาเร็จประโยชน์ เพราะฉะนั้นความเชื่อบางอย่างเนี่ยเรามีความเชื่ออยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องมีปัญญาเราก็ต้องมีความเพียรทําให้ดีมีความเพียรให้สูงสิ่งที่ตนเองกระทาดีนั้นก็จะสําเร็จประโยชน์เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องการเชื่อกรรมเนี่ยจึงขอให้ท่านทั้งหลายนําไปปฏิบัติให้ถูกเพราะในด้านการปฏิบัตินั้นมันมีปัญหาสำหรับซับซ้อนอยู่หลายด้านและปัญหาเหล่าเนี้ถ้าเราไม่เข้าใจแล้ว เราเองนั่นแหละจะเป็นคนปฏิเสธว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นไม่จริงเสมอไปเพราะว่าเสียงปฏิเสธนั้นมีหนาหูขึ้นทุกวันทุกวันในปัจจุบันนี้เราคนทำดีแล้วเขาไม่ได้รับความดีก็มีทั้งนี้ก็เพราะว่าทำไม่ถูกคือทำทำดีแล้วแต่ว่าทำไมไม่ใช้ปัญญาทำไมไม่ใช้ความเพียรถ้าเราใช้ปัญญาด้วยความเพียรด้วยความดีที่ทานั้นก็จ ะ, จะเจริญและก็สาเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้น เนี่ยเพราะฉะนั้น <c oughs> เรื่องการปรารบกรรมของศักด์เป็นอารมณ์นี้เราจะต้องรู้จักสภาวะของกรรมว่ากฎของกรรมนั้นมีอยู่จริงแต่ว่ากรรมอันเนี้ยมันจะสาเร็จประโยชน์แก่บุคคลได้ต้องอาศัยปัญญาและความเพียรเข้ามาประกอบกันทั้งสองอย่างจึงจะสําเร็จประโยชน์จะเชื่อแต่กรรมดีอย่างเดียวโดยเราไม่ใช้ปัญญาไม่ใช่ความเพียรแล้ว กรรมดีนั่นจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่บุคคลนี่เป็นเรื่องของ อ, อุเบกขาที่นำมาธิบายให้ท่านทลายได้เข้าใจถึงสภาวะอันนี้ก่อนอในอุเบกขาภาวนาเนี่ยเป็นเป็นหลักปฏิบัติที่จะต้องอาศัยเมตตากรุณามุทิตาเป็นพื้นฐานเพราะว่าเป็นหลักปฏิบัติที่จะทำสมาธิจิตให้สูงถึงขั้นปันญจมฌาน อันเป็นขั้นสูงสุดในรูปฌานเพราะว่าเมตตาก็ดีกรุณากดีมุทิตาก็ดีถึงแม้เราจะได้สมาธิจิตก็ไม่สูงเท่ากับการเจริญอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยทาให้สมาธิจิตสูงขึ้นกว่าเมตตากรุณาและมุทิตาแต่ว่าการที่เราจะเจริญกรมวิหารธรรมเหล่านี้ให้สำเร็จประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัย ทำทั้งสามเหล่านั้นเข้ามามีส่วนช่วยมิฉะนั้นแล้วอุเบกขาที่เราปฏิบัติอยู่นี้จะไม่เกิดประโยชน์แก่เราแต่อย่างใดวิธีปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญที่เราจะต้องศึกษาถึงสภาวะสภาวะของของพรหมวิหารธรรมเนี่ยเกี่ยวเนื่องติดต่อกันไปคือ ในธรรมทั้งหมดสี่ข้อที่เราได้ศึกษาผ่านพ้นมานี้ธรรมเหล่านี้มีค่าศึกเราต้องรู้ถึงค่าศึกของกุศลธรรมหรือศัตรูของโรมวิหารธรรมไว้ด้วยว่าพรมวิหารธรรมเนี่ยมีธรรมอะไรบ้างที่เป็นศัตรูหรือเป็นค่าศึกที่จะทําลายโรมวิหารธรรมเนี่ยให้เสื่อมสิ้นไป ข่าศึกหรือศัตรูของโรโมวิหารธรรมนั้นท่านจับไว้เป็นสองประเภทคือข่าศึกที่ใกล้กับข่าศึกที่ไกลหมายถึงว่าข่าศึกที่อยู่ใกล้ใกล้ต่อเมตตาใกล้ต่อกรุณาใกล้ต่อมุทิตาและใกล้ต่ออุเบกขาเนี่ยก็มีที่ไกลก็มีเสําหรับที่ใกล้กับที่ไกลทั้งสองอย่างเนี่ย โดยเฉพาะเมตตาปรมวิหารธรรมถ้าบอกว่าเมตตาพรมวิหารธรรมนี้มีราคะเป็นค่าศึกที่ใกล้และได้ช่องมากกว่าอกุสุลธรรมในด้านอื่นๆทําไมเมตตาจึงมีราคะเป็นค่าศึกที่ใกล้ อันนี้ได้เคยอธิบายกันความเข้าใจผิดมาครั้งหนึ่งแล้วว่าเมตตาเราแปลว่าความรักหรือความเยือใหญ่แต่ว่าความรักกับความเยือใหญ่เนี่ยไม่ใช่หมายถึงความรักความเยือใหญ่ดังที่เรามีกันอยู่ในผุทุชนทั่ ว, วไปเช่นความรักของหนุ่มสาวหรือของสามีภรรยาซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เมตตาธรรม แต่เป็นราคะหรือเป็นโลภะที่เป็นฝ่ายของอกุศลไม่ใช่เป็นกุศลธรรมแต่เมตตาเนี่ยเป็นกุศลธรรมเมตตาที่เป็นกุศลธรรมนั้นจะเต็มด้วยความเกื้อกูลต่อกันหรือความปรารถนาดีต่อกันแต่ว่าถ้าเป็นความรักระหว่างหลุ่มสาวที่เป็นโลภะแล้วแม้จะมีความเกื้อกูลต่อกันก็ประกอบไปด้วยความแอบแฝง ประกอบไปด้วยรับลมคมในหลายๆอย่างที่ต่างฝ่ายต่างจะต้องได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันถ้าต่างฝ่ายต่างยังอำนวยะโยชน์สุขให้ซึ่งกันและกันได้หรือยังสร้างความสุขให้ซึ่งกันและกันได้แล้วความรักนั้นก็ยังคงมีอยู่แต่ถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่สามารถจะให้ความสุขซึ่งกันและกันได้บุคคลทั้งสอง ก็กลายเป็นศัตรูต่อกันลักษณะของโลภะนั้นจึงมุ่งหวังที่จะสแสวงหาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นความรักที่เราแปลว่าเป็นความรักของหนุ่มสาวกับความรักที่เป็นเมตตาเนี่ยจึงห่างไกลกันมากแต่ความห่างไกลอันเนี้ยมันก็เป็นข้าศึกต่อกันแล้วก็เป็นข้าศึกที่ใกล้ชิดต่อเมตตาทำอย่างที่สุดเพราะว่าคนที่มี